เหตุผลที่สองชื่อว่าย่อมทำความที่พระศาสนาเป็นของบริสุทธิ์ปราศจากมนทินให้ปรากฏคือประกาศเปิดเผยแล้วว่าพระศาสนาเนี่ยเป็นของสะอาดแท้เป็นของที่บริสุทธิ์ปราศจากความเศร้ามองจากราคะโทสะโมหะเป็นต้นเนี่ยนะอธิบายว่าขอถวายพระพรน้ำตกลงไปในใบบัวแล้วก็ย่อมกระเซ็นไหลกลิ้งไปไม่ถึงความตั้งอยู่ได้น้าก็ไม่ติดเปื้อนใบบัว เพราะเหตุไรเพราะใบบัวเป็นของเกลี้ยกล่ำปราศจากมนทินฉันใดขอถวายพระพรบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งซึ่งเป็นคนเจ้าเล่ห์มาเจ้าเล่ห์แปลว่ามีมายาเป็นคนเหลี่ยมจัดเนี่ยนะคดโกงมีความเห็นที่ไม่ไม่สมควรแปล ว, ว่ามีความเห็นที่ไม่ถูกต้อง บวชในพระศาสนาของพระชินวรมุทแเจ้าบุคคลเหล่านั้นกระเซ็นไหลกลิ้งไปจากพระศาสนาที่บริสุทธิ์ปราศจากมณทินไม่มีเสี้ยนน้ำผ่องแผ้วประเสริฐและยอดเยี่ยมตั้งอยู่ไม่ได้ติดอยู่ไม่ได้แล้วก็ย่อมเวียนกลับมาสู่เพศที่เลวต่อการไม่นานเลยเที่ยวเพราะเหตุไรเพราะพระศาสนาของพระชินวรพุขแต่เจ้าเป็นของบริสุทธิ์ปราศจากมณทินฉะนั้นเหมือนกันนี้ชื่อว่า ทำความที่พระศาสนาเป็นของบริสุทธิ์ปราศจากมนทินให้ปรากฏตามประการดังกล่าวมาแล้วนี้อันนี้ก็จริงนะอ่ะนะเขมีมีหนุ่มคนหนึ่งอ่ะนะชายหนุ่มคนหนึ่งอนะ่ะเขาก็ใช้ชีวิตมาพอสมควรอายุสามสิบกว่าเลยเนี่ยนะก็ไปโอ้ยทำบาปมาเยอะเนี่ยนะในที่สุดก็มาบวชบวชแล้วก็พอเริ่มศึกษาคำสอนบ้างพอศึกษาไปศึกษาไปเนี่ยร้อนรนกระวลกไวยในที่สุดก็ศึก คำเหตุผลที่ศึกเขาบอกศาสนาสะอาดเกินไปสําหรับผมว่าบงั้นคือผมเนี่ยมันเลวเกินไปที่จะอยู่ใดพระศาสนาของพระพุทธเจ้าคืออยู่แล้วพระศาสนาถ้าจะเสื่อมจะเสียว่างั้นเพราะศาสนานี้ช่างเป็นของที่สะอาดบริสุทธิ์แท้แต่ทําไมผมเนี่ยมันผมนึกแล้วผมไม่สบายใจเลยกินแหนงแคลงใจในที่สุดก็ศึกไปเนี่ยนะ ก, ก็อย่างนี้ก็มีว่าเออพระศาสนาเป็นของที่ บริสุทธิ์แท้พันบุคคลที่จะอยู่ด้วยความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนั้นไม่ใช่ว่า จะอยู่กันง่ายเนี่ยนะจะอยู่บริสุทธิ์ทางกายบริสุทธิ์ทางวาจาและบริสุทธิ์ทางใจบริสุทธิ์ด้วยจตุปาริสุทธิ์ที่ศีลอ่ะนะบริสุทธิ์ด้วยอธิจิตตสิกขาบริสุทธิ์ด้วยจิตตวิสุทธิบริสุทธิ์ด้วยทิฏฐิวิสุทธิไล่ไปโดยลําดับจนบริสุทธิ์ด้วยญาณทัศนวิสุทธิบริสุทธิ์ในอริยมรรคอริยผลทั้งหลายตลอดจะถึงแทงตลอดพระมัทอมตะนิพพานที่เป็นความบริสุทธิ์ที่สูงสุดมันคนที่เศร้ามองไม่สามารถที่จะอยู่ใน พระศาสนาได้เอาบางคนไหมเลวเหลือทนทําไมบวชอยู่ได้ทุกวันใช่เขานุ่งห่มเฉยๆอ่นะแค่เรียกว่านุ่งห่มหนังราชสีแต่เขาไม่ใช่สายฟานแหน่งราชสีเขานุ่งห่มผ้าของบรรปะชิตแต่เขาไม่ได้เป็นบนรรปะชิตโดยสมณวิสัยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเขาจึงถึงอยู่ได้ก็อยู่ได้โดยเรียกว่าแอบอิงท่านานเองเด่๋ยวถ้าเป็นสมัยก่อนจริงๆน่ยนะนะสมัยสมัยที่โดยมากพระทั้งหลาย ประพฤติดีปฏิบัติชอบคนเลวเข้ามาอยู่ด้วยไม่ได้เครียกว่าหลงฝูงเข้ามาไม่ได้ในที่สุดก็ต้องถอยกลับออกไปเนี่ยนะเครียกว่าระบบเนี่ยมันคัดคนเลวออกไประบบธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านั้นถ้ามีการประพฤติปฏิบัติตามจริงๆอย่างครบถ้วนบริบูรณ์คนเลวจะอยู่ในสมาคมนั้นไม่ได้เพราะระบบมันคัดออกไปเองเนี่ยนะถ้าไม่มีคุณสมบัติก็ต้องสุกระดอนออกไปนนะี่เหตุผลที่สามที่บอกว่า การที่มีผู้ศึกษาลาเพศไม่ได้ทำให้ศาสนาเสื่อมลงเลยไม่ได้ทำให้ศาสนาเลวลงแต่กลับดีขึ้นบอกว่าย่อมทำความที่พระศาสนาอันพวกคนชั่วไม่อาจจะอยู่ร่วมด้วยได้ให้ปรากฏคนชั่วไม่ยอมอยู่ร่วมกับพระศาสนาที่สะอาดและบริสุทธิ์เนี่ยนะเพราะคนทุศีลไม่ชอบเจอหน้าคนมีศีลนะจริงๆแล้วคนทุศีลเนี่ยไม่ชอบคนมีศีลเนนะี คนฟุ้งซ่านไม่ชอบคนมีสมาธิจริงๆแล้วไม่ชอบคนโง่เขลาไม่ชอบคนมีปัญญาไม่ชอบฟังเรื่องปัญญาดังนั้นคําพูดที่ปรารบศีลเป็นเรื่องที่คนทุศีลราไม่ชอบคําพูดที่ปรารบสมาธิเนี่ยคนไม่มีสมาธิไม่ชอบคําพูดปรารบมีเมตตาเนี่ยนะคนที่เรียกว่าจองเวนเนี่ยไม่ชอบคนที่พูดปรารบกรุณาคนที่คิดจะทําลายผู้อื่นไม่ชอบ คนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ชอบฟังสัมมาทิฏฐิมิจคนที่ปฏิบัติอยู่ในมิจฉามัจจะไม่ชอบฟังสัมมัจคนที่ปฏิบัติในคนที่พูดคำพูดเกี่ยวกับเรื่องสติปัฏฐานคนที่วิปลาสไม่ชอบฟังคําพูดที่ปรารบสัมมาประทานคนเกียดคร้านไม่ชอบฟังความพูดที่ปราลบเช่นสติภละเนี่ยนะคนที่ไม่ไม่ศรัทธาไม่ชอบฟัง เป็นต้นไล่ไปโดยลําดับอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระศาสนานั้นคนชั่วที่ไม่อาจจะอยู่ร่วมได้ถามว่าอธิบายว่าขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่ามหาสมุทย่อมไม่อยู่ร่วมกัดซากสัตว์ตาย น, นะยากที่จะเห็นซากสัตว์ตายลอยอยู่ในทะเลหายากมากเต็มทีเนี่ยเพราะอะไรเพราะทะเลซากสัตว์ตายเหล่าใดมีอยู่ในมหาสมุทรมหาสมุทย่อมซัดซากสัตว์ตายนั้นไปสู่ฝั่ง หรือซัตว์ขึ้นไปบนบกโดยเร็วทีเดียวข้อนั้นพราะเหตุไรเพราะมหาสมุทรเป็นที่อยู่ของสัตว์ใหญ่ๆทั้งหลายฉันใดขอถวายพระพรบครุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งซึ่งเป็นคนชั่วชา้าไม่สํารวมคือไม่มีสังวรไม่มีสังวรด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจไม่มีศีลสังวรสติสังวรญาณนะวิริยะและขันติสังวรเป็นคนที่มัวมองเป็นคนทรชนเป็นคนชั่วในหมู่คน บวชในพระศาสนาของพระชินวรมุขเถเจ้าบุคคลเหล่านั้นย่อมตกไปจากพระศาสนาของพระชินวรพุทธเจ้าอันเป็นที่อยู่ของสัตว์ใหญ่คือพระอรหันต์ตะขีนาศผู้ปราศจากมนทินเพราะฉะนั้นบุคคลชั่วเหล่านั้นอยู่ร่วมกันไม่ได้ในที่สุดก็ต้องเวียนกลับไปเป็นคนเลวจริงๆก็น่าจะอยู่ได้นะแต่กลับอยู่ไม่ได้เพราะเหตุไร เพราะพระศาสนาของพระชินวรพุทธเจ้าอันคนชั่วไม่อาจอยู่ร่วมได้ฉันั้นเหมือนกันอันนี้เชื่อว่าย่อมทำความที่พระศาสนาอันพวกคนชั่วไม่อาจอยู่ร่วมได้ให้ปรากฏด้วยประการดังกล่าวมานี้พระศาสนาในสะอาดแท้เรียกว่าเป็นเป็นเรื่องของคนดีนะคนชั่วอยู่ในระบบของคนดีไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าสีเนี่ยเป็นความดีด้วยกายวาจาและอาชีพเพราะคนที่ ไม่มีความบริสุทธิ์กายวาจาและอาชีพยากที่จะเจริญในพระศาสนาเนี่ยนะศาสนาคืออาธิสีลอธิจิตและอาธิปัญญาไม่ได้แปลว่าเกี่ยวกับเรื่องชื่อเสียงโด่งดังลาบสการะนะแต่หมายตัวศาสนาคือตัวอาธิสีตอธิจิตและอาธิปัญญาเนี่ยนะต่อไปข้อที่เท่าไหร่ข้อที่สี่เนี่ยนะว่า บุคคลที่ศสขาลาเพศไปนั้นย่อมทําความที่พระศาสนาเป็นของแทงตลอดให้ยากเป็นของที่แทงตลอดได้ยากให้ปรากฏมรรคผลไม่ใช่บรรลุกันได้ทุกคนเหมนกันเถอะมรรคผลไม่ใช่จะบรรลุได้ทุกคนกิจในอริยสัจไม่ใช่ว่าจะเป็นของที่ทําได้ทุกคน ขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่านายขมังธนูพวกใดพวกหนึ่งซึ่งเป็นคนไม่ฉลาดไม่ได้ศึกษาศิลปะในการยิงธนูไม่ได้เรียนศิลปะในการยิงธนูมีความรู้เสื่อมทรามแปลว่าไร้ฝีมือขาดความสามารถเมื่อไม่สามารถจะยิงถูกขนทรายซึ่งปักไว้ที่เป้าได้ก็ย่อมล้มเหลวแล้วล้มเหลวอีก เพราะไรเพราะขนทรายเป็นของละเอียดยิงไปให้ถูกได้ยากฉันใดขอถวายพระพรบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งซึ่งเป็นคนสามปัญญาบ้าเซอฟแปลว่าน้ำลายไหลหลงเละเป็นคนที่มีคติมืดบอดเนี่ยนะคติมืดบอดคือไม่รู้ว่าทาอะไรเป็นทางแห่งนรกเปรตสุรกาเดรชนันอะไรเป็นทางแห่งสุขติโลกสวรรค์เป็นต้นเขาเหล่านั้นย่อมบวชในพระศาสนาของ พระชินวรวรรธ์พระเจ้าบุคคลเหล่านั้นเมื่อไม่สามารถจะแทงตลอดธรรมที่ควรแทงตลอดคือสัจจะสี่อันล ะ, อนละเอียดสุขุมอย่างยิ่งได้ก็ต้องล้มเหลวเสร็จแล้วก็หลีกไปจากพระาศาสนาของพระชินวรวุทธเจ้าเวียนกลับมาสู่เพศที่เลวต่อการไม่นานเลยเพราะเหตุไรเพราะสัจจะทั้งหลายเป็นของละเอียดสุขุมแทงตลอดได้ยาก ฉะนั้นเหมือนกันเนี่ยนะทุกขอริยศาสตร์นั้นถ้าไม่มีปัญญาจริงๆที่จะแทงตลอดว่าแม้ความเกิดก็เป็นทุกเนี่ยนะยากเอางี้ดูคนที่เห็นว่าเกิดแล้วเป็นทุกเนี่ยนะกลับเกิดแล้วเนี่ยเห็นว่าการเกิดเป็นทุกนี่มีกี่คนนะการเกิดเป็นการเกิดบ่อยๆเป็นทุกนะการเป็นไปในวัฏฏะเนี่ยทุกแท้มองเห็นเลยว่าเนี่ยเดินไปสู่ความทุกขเป็นเบื้องหน้าแล้วเนี่ยเห็นสักกี่คน แม้แต่กระทั่งชีวิตของเราเราทั้งหลายเอางหนึ่ยที่นั่งๆั่งกันอยู่เนี่ยสักกี่คนที่คิดว่าชีวิตของตัวเองเนี่ยเดินไปสู่ความเลวร้ายเข้าไปทุกวันเช่นตาเนี่ยเลวร้ายเข้าไปทุกวันจริงๆนระิงไมันไม่มีว่าตาเนี่ยใสยขึ้นสาวขึ้นสวยขึ้นไม่มีเหนไนะหูก็เหมือนการย่อนขึ้นฟังง่ายขึ้นดีขึ้นไม่มีนนะมีแต่ตึงขึ้นตึงขึ้นนะนี ที่เหลือเนี่ยผิวหนังเป็นต้นที่มันจะสวยสดงดงามเว้นะแต่ไปทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอะ น, นะถ้าถ้าธรรมดาแล้วมันไม่มีดีขึ้นหรอกทุกส่วนของร่างกายไปทําให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นถ้าทําได้ดีจริงอย่างนั้นก็มีหลายคนไปทําให้อะไรนะผู้หยากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ตัวเองเขารบแล้วอะเนี่ยช่วยเลยปั้มเลยเปลี่ยนหัวใจใหม่เปลี่ถอดอะไรปนะ่ะคือให้มันดีๆอะไรที่เป็นของดีทั้งหลายก็ ไปทำให้ใหม่ให้หมดเลยถ้ามันทําได้จริงหรือมันเป็นไปเพื่อความดีจริงเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะเป็นนุมยิ่งขึ้นนะเท่งยิ่งอยู่อายุมากยิ่งหน่มขึ้นยิ่งงามขึ้นปกติถ้าเทวดาเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะถ้าอายุยิ่งยืนมากยิ่งงามขึ้นนางฟ้าทั้งหลายก็เป็นลักษณะนั้นฉันใดแต่ว่ามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมยิ่งอยู่นานยิ่งชารามากขึ้นชารามากขึ้นชารามากขึ้นมันแก่ขึ้นไปทุกวนันทุกวนันทุกวนันทุกวัน ถามว่าเราเห็นว่ามีความสามัญยสํานึกบอกว่าเราเนี่ยนะมันไม่ได้สาวกว่านี้แล้วมันจะแก่ขึ้นยิ่งขึ้นแบบว่ามองเห็นความแก่ตลอดสายเลยเนี่ยนะนึกถึงสมสมติมวันนี้ฮอายุสามสิบปีสิบปีข้างหน้าก็สี่ิบอีกยี่สบปีข้างหน้าก็ห้าสิบอีกสาสิบปีข้างหน้าก็หกสิบอีกสี่สิบปีข้างหน้าก็เจ็ดสิบเอ็ดห้าสิบปีข้างหน้าก็แปดสิบแล้วมันจะรอดหรือเนี่ยนะนนก็มองเห็นตัวเองชาราสุดเลยนะ เขาเรียกว่ามองตลอดสายในที่สุดมองเห็นตัวเองเขาจัดงานศพไหมเผาเรียบร้อยกระดูกไปกระจัดกระจายเรียรายกลายเป็นพลุเป็นพุงมองเห็นตัวเองเนี่ยกระดูกแหลกเป็นผงไปหมดเลยก็มองยาวไปอย่างนั้นจริงๆอ่ะนะเคยนั่งคิดแบบนี้บ้างไหมนั่งคิดเรื่องของตัวเองเป็นจริงเป็นจังเสร็จแล้วเขาเผาตัวเองเรียบร้อยกระดูกไปลอยทิ้งอะไรกันนะคิดอย่างเงี้ยมีสักกี่คนเนา่ไหนๆคิดว่าเขาไปลอยกระดูกตัวเองไว้เรียบร้อยแลยเนี่ยไะ ก็ยินดีด้วยนะแต่ก็ต้องเจริญอย่างนี้เป็นอัธยาศัยเนี่ยนะนะพอนึกถึงตัวเองปั๊บก็บนึกถึงร่างกายเมื่อไร่ปั๊บก็บนึกถึงความสิ้นสุดเนี่ยนะนะความสิ้นสุดจบลงที่ไหนถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าคู่ควรที่จะเบื่อหน่ายในยกองทุกข์เนี่ยนะนะมองเห็นเลยว่าขันทุกขันเป็นที่ตั้งแห่งความโศกทั้งนั้นเลยนะไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารเหล่าใดที่จะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความโศกไม่มีรูปเวทนาเหล่าใด สัญญาสังขารและวิญญาณเหล่าใดที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความคร่ำครวญโสกะปริเทวะทุกขโทโมานัตและอุปาญาตมีไหมขันห้าเหล่าใดที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งทุจริตเป็นต้นหายากเต็มทีแบบนั้นเพราะฉะนั้นโดยรวมๆแล้วขันห้าไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีเลยสังขารธรรมทั้งหลายไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีเลยแต่คนที่จะแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างถึงว่าขันห้าเนี่ยปีละนะจริงๆสันตาปะเป็นของที่ เร่าร้อนจริงๆเนี่ยนะวิปริณามล้วนแต่แปรปรวนไปจริงๆสังคตะกว่าจะปรุงแต่งได้ขนาดนี้ช่างยากแท้เนี่ยนะเป็นต้นก็น้อยนักที่จะมีปัญญาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วน้อยนักที่ว่าตันหาเนี่ยนำไปสู่พบใหม่จริงๆนะถ้าตันหามันเกิดขึ้นชอบรูปเนี่ยนะรูปปัญหาที่ชอบสีมันคิดน้อยนที่จะคิดว่านี่นาไปสู่การเกิดตาใหม่ สัตทัตตันหาเกิดขึ้นเนี่ยชอบเสียงน้อยที่จะคิดว่านําไปสู่การมีหูใหม่ต่อต่อไปเป็นต้นมันจึงน้อยที่จะแทงตลอดว่าตันหานําไปสู่พบใหม่แต่นั้นนําไปสู่ชาติชาราและมรณะก็น้อยนะักที่จะรู้อีกว่าธาตุดับสัง ร, รมเหล่านี้ทั้งหมดนั้นเป็นสุขเนี่ยนะเป็นอมตะสุขพระนิพานธรรมที่ดับเพิกถอนสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมที่ดีจรงิงเป็นธรรมที่สงบและ ประณีตเนี่ยนะที่จะเห็นว่านี้เป็นอสังขตะเป็นอมตะนี่แหละพระนิพผานเป็นธรรมที่สลัดออกจากทุกข์และขณะเดียวกันนี่อรยิยมรรคนี่แทงตลอดได้ยากนะที่จะเจริญสักขาเจริญสติปทานสัมมาปทานอิทิบาทอินทร์พระละโพชฌงและองค์มรรคให้เจริญเพิ่มพูนภัยบู์บริบูญิ่งยิ่งขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ทําได้ยากเพราะการที่เขาศึกษาลาเทศออกไปนั้นก็เท่ากับบอกว่าอรยิยศัสตร์นั้นแทงตลอดได้ยาก นะทุกแต่แทงตลอดด้วยการกําหนดรู้สมุทัยแทงตลอดด้วยการละนิโรธแทงตลอดด้วยการทําให้แจ้งอริยมรรคแทงตลอดด้วยการเจริญเป็นสิ่งที่ทําได้ยากไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทํา ไ, ททได้ง่ายบอกโอ้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งลึกซึ้งแท้เนี่ยนะยากที่คนที่สามปัญญาทั้งหลายจะรู้ได้สุดท้ายเหตุที่พระพิโสทั้งหลายศึกหาลาเพศออกไปนั้นทําพระศาสนา ว่าอันบุคคลรักษาไว้ด้วยสังวรให้ปรากฏคนที่รักษาอธิศีและเสขาที่จิตสีขาที่ปัญญาเสขาต่อไปนั้นเป็นคนที่มีสังวรจริงๆมีสังวรไหนสีลสังวรจริงๆที่จะบวชอยู่ต่อไปได้เพราะงั้นเถอะที่จะประพฤติปฏิบัติตามคําสอนได้ต้องเป็นคนที่มีศีลสังวรมีอินทรีย์สังวรมีสติสังวรมีญาณสังวรวิริยะสังวรมีขันติสังวรมีสังวรอยู่ในตัวมากมายนะจิงจะ ประพฤติปฏิบัติเจริญงอกงามในพระศาสนาต่อไปได้อันนี้เป็นอย่างไรขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าบุรุษบางคนเข้าไปสู่ยุทธภูมิครั้งยิ่งใหญ่เกี่ยว่ามาหาสงครามเนี่ยนะถ ก, กองทัพปรปักห้อมล้อมทางทิศน้อยทิศใหญ่อยู่โดยรอบเห็นชนผู้มีมือถือหอกพุ่งเข้ามาแล้วมุ่งเข้ามาแล้วก็ถอยหนีกลับไปเนี่ยนะสงครามที่ทุกคนเนี่ยถือหอกมาหมดเลยเนี่ยนะ เพราะถ้าคนที่ขี้ขลานนี่เห็นแล้ววิ่งหนีเลยใช่ไหมชันใดเพราะเหตุไรเพราะกลัวการรักษายุทธวิธีอย่างต่างๆเป็นอันมากเแปลว่ากลัวสงครามเนี่ยนะพอได้ยินเสียงอะไรก็ตัวสั่นเพลินแล้วเนี่ยนะฉันใดขอถวายพระพร บ, บุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งซึ่งเป็นคนชั่วไม่สํารวมไม่มีความละอายหากิริยาสุจริตไม่ได้ไม่อดทนต่อคําสั่งสอนกลอกกลิ้งหรือว่า เป็นคนที่โลเลสถุนก็เรียกว่าคนที่ชาติกลุ่นต่ำะนะต่ำโดยสามัญยสํานิศนะนะต่ำแท้เป็นคนพานคนเหล่านี้ย่อมบวชในพระศาสนาของพระชินวรพุทธเจ้าถ้าเกิดว่าเช่นคนที่ไม่เป็นคนชั่วไม่สำรวมไม่ละอายขาดความดีอยู่ในตัวไม่ได้ขาดความอดทนปิ้งกรอกโลเลเป็นคนที่โง่ขเขลาเนี่ยนะ ถ้าเขาได้บวชเข้ามาคนเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะรักษาอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาได้โดยเฉพาะอธิศีลสิกขาซึ่งมีสิกขาบทมากหลายปาราชิกสีสังคาทิเศตสิบสามเป็นต้นเนี่ยนะเมียบัตตนั้งเจ็ดกองปาราชิกสังคาทิเศตโทละใจบัตติปาจิตีปาติเทศนิยะทุกกฎและทุกภาสิทธ์เมื่อเขาไม่มีคุณสมบัติเขาจะรักษาสิกขาต่างๆเหล่านั้น มากมายไม่ได้เลยแต่แล้วก็พอรักษาศีลไม่ได้ก็ท้อถอยอโนนก็ผิดอันนี้ก็โอ้อันนั้นก็ผิดอันนี้ก็ผิดอันนั้นก็ผิดโอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วสึกเปลี่หวังกันนี้กลับมาเวียนกลับไปสู่เพศที่เลวต่อการไม่นานเลยเหตุผลที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะพระศาสนาของพระชินวรพุทธเจ้าเป็นของที่ต้องรักษาไว้ด้วยสังวรมีอย่างต่างๆเป็นอันมากฉะนั้นเหมือนกัน อันนี้แหละเป็นเหตุผลที่ว่าย่อมทํำศาสนาอันบุคคลรักษาด้วยสังวรเป็นอันมากให้ปรากฏเนี่ยนะเพราะอารมณ์ที่ยั่วยุอารมณ์โดยมากในโลกเป็นที่ตั้งแห่งุศีลหรือเป็นที่ตั้งแห่งความทุศีลเพราะอารมณ์โดยมากเป็นที่ตั้งแห่งทุศีลเมื่อเป็นที่ตั้งแห่งความทุศีลแล้วตัวเองอยังรักษาศีลต่อไปได้เนี่ยหมายคนที่รักษาไว้ได้ก็ถือว่าเก่ง อารมณ์ทั้งหลายอินสิเนี่ยนะอย่างรูปที่น่าปรารถนาะเสียงที่น่าพอใจเป็นต้นเนี่ยถือว่าเป็นอารมณ์ที่ตั้งแห่งความปรารถนาะแล้วมีสติสังวรเอาไว้ได้นี่ก็ถือว่ายกย่องคนที่มีสังวรเนี่ยนะอย่างเกิดเหตุการณ์ที่ไม่น่าจ ะ, ะมีความอดทนก็อดทนที่จะประพฤติปฏิบตัติต่อไปได้มีเหตุการณ์เหล่าใดที่เรียกว่า จะต้องอาศัยความภาคเพียรพยายามซึ่งคนเกียรตร้านทาไม่ได้มีหลายอย่างที่เป็นเรื่องของคนมีปัญญาคนโง่เขลาคิดเช่นนั้นไม่ได้อันนี้ประกาศเลยว่าผู้ที่อยู่ได้นั้นมีศีลสังวรมีสติสังวรมีญาณนะสังวรมีขันติสังวรมีวิรยิยะสังวรมีความภาคเพียรพยายามอุตสาหะหลายประการเจงจะอยู่ได้อันนี้เป็นการว่าคนที่ศึกไปเนี่ยแสดงว่าทําให้คนดี เด่นขึ้นปรากฏชัดขึ้นนั่นเองขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าในกอมะลิซ้อนแม้นับว่าสูงสุดแห่งบรรดาดอกไม้ที่เกิดบนบกถึงอย่างนั้นมีบางดอกถูกนอนเจาะดอกที่ถูกนอนเจาะเหล่านั้นมีขั้วดอกที่เหี่ยวเหี่ยวโรยแล้วก็ย่อมตกร่วงไปเสียในระหว่างทีเดียวก็แลกอดอกมะลิก็จะได้เชื่อว่าเป็นกอดอกไม้ชั้นเลวเพราะมีดอกบางดอก ถูกนอนเจาะร่วงไปก็าหาไม่ดอกมะลิเนี่ยดอกเลวดอกดอกไม้ไม่ดีเพราะอะไรเพราะมีนอนเจาะบางดอกตกไปจะปฏิเสธดอกมะลิเหล่านั้นได้ไหมที่แท้ดอกที่ยังดํารงอยู่ได้ในกรมะลิซ้อนย่อมมีกลิ่นหอมแพร่ไปสู่ที่น้อยที่ใหญ่ฉันใดขอถวายพระพร บ, บุคคลที่บวชในพระาศาสนาของพระชินวรพุทธเจ้าแลว้วก็ยังเวียนกลับมาสู่เพศที่เลวได้อีกนั้นบุคคลเหล่านั้นชื่อว่า เป็นผู้ปราศจากสีและกลิ่นสีของศีลกลิ่นของศีลเป็นต้นมีอาการที่หาข้อสรรเสริญไม่ได้เป็นปกติอย่างบางคนเนี่ยนะเคยมีพระบางคนที่บอกโอ้สึกไปแล้วสึกไปแล้วโอ้ถ้าสึกเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าบวชอยู่ต่อไปนี่เป็นของที่น่าอัศจรรย์เพราะคุณสมบัติพฤติกรรมความประพฤติหลายอย่างไม่ใช่ของสมณะอยู่แล้ววิถีชีวิตไม่ใช่ของสมณะอยู่แล้วถ้าได้ข่าวว่าสึกหาลาเพศไปก็ถือว่าเป็นเรื่อง ปกติเปรียบเหมือนดอกไม้ที่ถูกนอนชอนใจอยู่ตลอดเวลาเนั้นเพราะฉะนั้นบุคคลนั้นก็เหมือนกับดอกมะลิซ้อนที่ถูกน้อนเนี่ยเจาะเป็นคนอาภัพต่อความเจริญงอกงามในพระศาสนาของพระชินวรพุทธเจ้าก็แลพระศาสนาของพระชินวรวุทธเจ้าจะได้ชื่อว่าเป็นของต่ำซามเพราะการที่บุคคลนั้นยังเวียนกลับมาสู่เพศที่เลวก็หาไม่ พวกภิกษุที่ยังดำรงอยู่ได้ในพระศาสนาของพระชินวรพุทธเจ้านั้นย่อมเป็นผู้มีกลิ่นหอมคือศีลประเสริฐแพร่ไปตลอดพรห ม, มโลกพร้อมทั้งเทวดาฉนั้นเหมือนกันเพือนผู้ที่อยู่คื อ, ค, อคือการที่ผู้คนเลวศึกไปนี่ก็แปลว่าให้คนดีเนี่ยลอยเด่นขึ้นนั่นเองขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าบรรดาข้าวสาลีแดงทั้งหลายที่ปราศจากโรคภัย ข้าวสาลีแดงชนิดหนึ่งชื่อว่ากลมพะกะข้าวสาลีนี้เกิดแล้วก็เสียในระหว่างเทียวก็แล ข, ข้าวสาลีแดงทั้งหลายจะได้ชื่อว่าเป็นข้าวสาลีชั้นเลวเพราะการที่ข้าวสาลีชนิดนั้นเสียไปก็หาไม่ก็มีบางลำต้นที่มันเสียไปเนี่ยนะข้าวสาลีแดงเหล่านั้นเป็นข้าวสาลีที่ดำรงอยู่ได้ไม่เสียไปในระหว่างก็สมควรเป็นเครื่องเสวยสาหรับพระราชาฉันใด ขอถวายพระพรบุคคลที่บวชในพระศาสนาของพระชินวรวุทธเจ้าแล้วก็ยังเวียนกลับมาสู่เพศที่เลวได้อีกนั้นบุคคลเหล่านั้นไม่เจริญไม่ถึงความงอกงามในพระศาสนาของพระชินวรวุทิเจ้าย่อมเวียนกลับมาสู่เพศที่เลวในระหว่างทีเดียวดดในบรรดาข้าวสาลีแดงทั้งหลายข้าวสาลีกรุมพระกะไม่เจริญไม่ถึงความงอกงามย่อมเสียไปในระหว่างเที่ยวฉะนั้น ก็แลพระศาสนาของพระชินวรพุตธเจ้าจะได้ชื่อว่าเป็นของต่ํารามเพราะการที่บุคคลเหล่านั้นเวียนกลับมาสู่เพศที่เลวก็หาไม่ภิกษุทั้งหลายที่ดำรงอยู่ได้ในพระพุทธศาสนานั้นภิกษุเหล่านั้นย่อมเป็นผู้สมควรต่อความเป็นพระอรหันต์ฉะนั้นเหมือนกันเนนะผู้ที่ดารงอยู่ได้ปฏิบัติได้เจริญ ง, งอก ง, งามในศาสนาก็ถือว่าเป็นผู้คู่ควรที่จะ บรรลุมรรคผลอยู่แล้ว <c oughs> อุปมาต่อไปว่าขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าแม้แต่แก้วมณีที่คอยมอบแต่สิ่งที่ต้องการที่น่าต้องการให้นะนะก็ยังมีบางส่วนเกิดเป็นปมหยาบกระด้างตำเหน่ขึ้นมาได้บางซีบาง ท, าง ท, างทีอาจจะมีอะไรนะมีรอยร้าวรอยบิ่นนิดๆหน่อยๆในนะแก้วมณีที่งดงามนั่นน่ะนะนะ ก็แลแก้วมณีจะได้ชื่อว่าเป็นขอแก้วชั้นเลวเพราะการที่ส่วนตรงนั้นเกิดเป็นปมหรือว่าเรียกว่าครุขระนิดหน่อยยามกระด้างเกิดขึ้นมาฉะนั้นก็หาไม่ในทุกส่วนแห่งแก้วมณีนั้นส่วนใดบริสุทธิ์ส่วนนั้นย่อมบันดาลแต่ความบันเทิงแก่ผู้คนฉันใดขอถวายพระพรบุคคลพวกที่บวชในพระศาสนาของพระชินวรผู้แตเจ้าแล้วก็ยังเวียนกลับมาสู่เพศที่เลวได้อีกนั้นบุคคลเหล่านั้น จัดว่าเป็นคนหยาบกระด้างเป็นสเก็ดในพระาศาสนาของพระชินวรพุฒิเจ้าก็แลพระาศาสนาของพระชินวรพุทธเจ้าจะได้ชื่อว่าเป็นของต่ำสามเพราะการที่บุคคลเหล่านั้นยังเวียนกลับมาสู่เพศที่เลวได้อีกก็หาไม่พวกภิกษุทั้งหลายผู้ดํารงอยู่ได้ในพระาศาสนานั้นย่อมเป็นผู้ทําความบันเทิงให้เกิดแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ฉะนั้นเหมือนกันบรรพูที่ดำรงอยู่ได้ปฏิบัติในสาระคือศีลเป็นต้นบุคคลเหล่านั้นก็เป็นที่บันเทิงปราบเลื่มปีติและปรามโม้ให้แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายข้ออุปมาต่อไปว่าเปรียบเหมือนว่าเม้แต่จันแดงแก่นจันแดงเนี่ยนะที่ถึงพร้อมด้วยชาติาพันธ์เผ่าพันธ์ก็ว่าสายพันธ์มาอย่างดีเนี่ยก็ยังมีบางส่วนเน่าเสียหมดกลิ่นไป จันแดงจะได้ชื่อว่าเป็นของเลวเพราะเหตุนั้นก็หาไม่บรรดาส่วนเหล่านั้นส่วนที่ไม่เน่าเสียก็มีกลิ่นหอมย่อมแพร่ไปทําให้หอมตลบไปโดยรอบฉันใดขอถวายพระพรบุคคลพวกที่บวชในพระาศาสนาของพระชินวรพุทธเจ้าแล้วก็ยังเวียนกลับมาสู่เพศที่เลวได้อีกนั้นบุคคลเหล่านั้น จัดว่าเป็นผู้ที่ควรถูกขจัดทิ้งในพระศาสนาของพระชินวรพุทธเจ้าว่าเปรียบเหมือนคนเน่าในพระศาสนานั่นเองเพราะเหมือนส่วนที่เน่าเสียแห่งการแดแก่นจันแดงฉะนั้นก็แลพระศาสนาของพระชินวรพุทธเจ้าจะได้ชื่อว่าเป็นของต่ำสามเพราะการที่คนเหล่านั้นยังเวียนกลับมาสู่เพศที่เลวได้อีกก็หาไม่พวกภิกษุที่ดํารงอยู่ได้ในพระพุทธศาสนานั้น ย่อมใช้จันทร์แดงคือศีลอันประเสริฐคอยฉาบทาโลกพร้อมทั้งเทวโลกไว้ได้ฉะนั้นเหมือนกันพันพิสูจน์ที่ดีมีศีลทั้งหลายก็จะโลูไล้ด้วยเปลี่ยนศีลให้หอมประเสริฐไปในโลกพร้อมทั้งเทวโลกขณะเดียวกันก็ช่วยยังบุคคลเหล่าอื่นให้มีศีลเป็นต้นสังเกตดูใ น, ในบรรดาปัญหาทั้งหลายปัญหาข้อนี้แก้ยาวมากเพราะถือว่ามีความสําคัญมากว่า การที่พระภิกษุสึกออกไปไม่ได้ทำให้ศาสนาเสียเลยกลับเป็นว่าประกาศคุณงามความดีล้ายประการกว่าว่าเออศาสนาเป็นของดีจริงแท้แล้ะคนที่อยู่ได้จริงก็ถือว่าเป็นคนที่ดีจริงจึงจะอยู่ได้ถ้าไม่ดีจริงก็อยู่ไม่ได้ถ้าถ้าหมายคำว่าประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนผู้ที่มีคุณสมบัติของความเป็นสมณะและเป็น บันปชิตตามเหตุผลที่กล่าวมาแล้วนี้พระเจ้าเมรินก็ยอมรับว่าดีจริงพระคุณเจ้าน่ากเกษนเป็นอันว่าพระคุณเจ้าได้แสดงพระศาสนาของพระชินวรมุทเเจ้าอันถึงความไม่มีข้อนหน้าตาหนิโดยความเป็นพระศาสนาที่ประเสริฐสุดด้วยเหตุผลที่เหมาะสมพร้อมกับอุปมา น, านั้นแลว้วบุคคลแม้ว่าเวียนกลับมาสู่เพศที่เลวได้อีก ก็ยังทําความประเสริฐแก่พระศาสนาของพระชินวรพุทธเจ้าให้ปรากฏได้แลพระเจ้าประเส้นที่โกศลกล่าวไว้ในในพระสูตรสูตรหนึ่งชื่อว่าธรรมเจติยะสูตรว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นของที่ดีเป็นของที่ประเสริฐอย่างแท้จริงอันหนึ่งก็คือว่าคนที่ศึกโดยมากไม่เคยตําหนิว่าพระศาสนาเลวเลยคนที่ศึกนะโดยมากบอกว่าตัวเองเป็นคนบุญน้อย ที่จะศึกษาและปฏิบัติในพระศาสนาได้โดยมากจะพูดอย่างนั้นแม้แต่สมัยพุทธกาลสมัยพุทธกาลไม่มีไม่ใช่ไม่มีพระพิสุท์ที่ศึกหาลาเทศแต่ท่านเหล่านั้นเมื่อศึกไปเนี่ยนะ ท่านก็บอกว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดีเลยเพราะท่านเนี่ยไม่เหมาะสมท่านไม่มีคุณสมบัติไม่คู่ควรที่จะอยู่ในพระศาสนาของพระศาสนาพระศาสนาเป็นของที่บริสุทธิ์พุดธพ้องแต่ข้าพเจ้านี่สิไม่มีบุญบุญน้อยขาดความรู้ขาดความสามารถที่จะประพฤติและปฏิบัติให้เจริญงอกงามในคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยบุคคลเหล่านั้นโดยมากตํำหนิตนอันนี้ก็ถือว่าเป็นความน่าอัศจรรย์ของ พระธรรมเป็นความน่าอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าที่กล่าวทำเป็นอันดีให้มีขึ้นเนี่ยนะ